ท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19เามษายนพุทธศักราช5อเจเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาสิ่ง มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสร้างเรือนใจไว้รองรับเวลาที่เรือนกายของเรานี้หมดสภาพไปเราถ้าไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราจะไม่มีที่อยู่อาศัย ของใจใจก็จะต้องไปเรร่อนไปเป็นขอทานหรือไปถูกจองจำอยู่ในที่ไม่น่าปรารถนาก็คือนรกถ้าเป็นขอทานก็เป็นเปรตถ้าได้ร่างกายที่ไม่น่าปรารถนาก็คือร่างกายของเดรัจฉาน การที่เราต้องไปสู่สถานที่เหล่านั้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รักษาศีลกันเราไม่ได้รับเว้นจากการทำบาป ก, กันถ้าเรายังฆ่ายังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังพูดปดยังเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆ เวลร่างกายของเรานี้หมดสภาพไปใจของเราจะไปได้ที่อยู่ที่ไม่น่าไปเช่นไปเป็นเดรัจฉานได้ร่างกายของเดรัจฉานหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเป็นขอทานทางจิตวิ ญ, ญญาณคือไปเป็นเปรตหรือไม่เช่นนั้นก็ไปถูกจองจำอยู่ในคุกตารางของ ดวงวิญญาณก็คือนรกนะนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่สามารถละการกระทำบาปได้ไม่สามารถละเว้นจากการเสพอบายยมุกต่างๆได้อบายยมุกนี้ก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือ 1. การดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนัน สามการเที่ยวเต่ตอนกลาคืนเช่นไปตามบาตามผับไปตามลงนวดลงอาบอะไรต่างๆแล้วก็การครบคนไม่ดีเป็นมิตรแล้วก็ความเกลียดคราสนี่คืออบ า, ายอนุคห้าประการด้วยกันถ้าเรา มีอบายามุขเหล่านี้อยู่เป็นนิสัยของเราเช่นเราชอบดื่มสรุราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบ ค, คบคนชั่วเป็นมิตรชอบความเกียรติครานเวลาเราไม่มีเงินไม่มีทองเราก็จะต้องไปทำบาปทำกรรม เพราะเราไม่มีอาชีพที่จะหาเงินหาทองมาใช้กับอบายมุกต่างๆได้เช่นเราเล่นการพนันถ้าเราเงินหมดเราก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินพอกู้หนี้ยืมสินไม่มีปัญญาคืนก็กลายเป็นคนโกหกกลายเป็นคนลักทรัพย์ไปแล้วถ้าเรา กู้นี่ยืมสินไม่ได้เราก็ต้องไปลักขโมยไปช่อโกงเพื่อที่จะได้เอาทรัพย์มาเล่นการพนันต่อนี่คืออบายมุขที่จะเป็นเหตุที่จะทําให้เราไปทําบาป ก, กันเพราะอบายมุขนี้ไม่สามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับเราได้นั่นเองมีแต่ใจไปดูดทรัพย์ดูดเงินทองของเรา ให้หมดไปเช่นการดืม่มโซรายามานี้เวลาดืม่มโซราก็ต้องเสียเงินเสียเงินไปซื้อแล้วก็ต้องเสียสุขภาพร่างกายจะมีอายุไม่ยืนยาวนานเพราะจะมีโรคภัยเกิดจากการดืม่มโซราแล้วจิตใจก็ไม่มีสติสตั๊มอาจจะไปทํำ ปัญหาให้เกิดขึ้นกับตนไปทะเลาะวิวาทไปต่อสู้ไปทำร้ายร่างกายของผู้อื่นแล้วก็ต้องถูกผู้อื่นเขาทำร้ายร่างกายเราการดื่มสชราไม่ได้มีรายได้มีแต่รายจา่ายนอกจากนั้นแล้วถ้าทำงานทำการเวลามึนเมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไม่มีสติสตัง พอที่จะไปทำงานทาการได้ก็จะขาดงานขาดการพอไม่ได้ทำงานบ่อยๆก็จะถูกขับไล่ออกจากงานไปนี่คือพอไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองแต่ยังมีรายจ่ายอยู่ยังต้องซื้อสุรามาดื่มอยู่ก็ต้องไปหักลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อที่จะมา ซื้อ ส, สุรามาดื่นต่อทำให้ต้องไปทำบาปแต่ถ้าไม่ดื่มสุรายามเมาผลเสียหายต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดเงินทองก็จะไม่หมดไปสุขภาพก็จะสมบูรณ์แข็งแรง ส, สติสตางก็จะดะีแล้วก็ไม่ขาดงานขาดการ จะไม่เกียดคร้านจะไปทํางานทําการทำให้มีรายได้เข้ามานี่คือความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดๆจากการเสพสุรายาเมาหรืออบายาลุกตต่างๆกับการไม่เสพว่าแตกต่างกันอย่างไรเวลาเสพมีแต่จะเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียสุขภาพเสียสติ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 ถ้าเราครบกับเขาเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราไปเล่นการก น, นันไปเที่ยวกลางคืนถ้าเรากลัวจะเสียดายไม่มีเพื่อนเราก็ต้องไปกับเขาพอไปกับเขาเราก็จะไปเสพอบายามุฒแล้วเราก็จะต้องรับผลของการเสพอวาัยามุฒตามมาต่อไป ถ้าเราไม่คบกับคนไม่ดีคบกับคนชั่วก็จะไม่มีใครมาฉุดรากให้เราไปเสพอบายมุกแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการความเกลียดคา้านความเกลียดค้านนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าคนเกลียดค้านนี้จะไม่สามารถหาไรายได้มาได้ถ้าอยู่เฉยๆงอมืองอเท้าเงินทองจะไม่มา เงินทองจะมาก็ต่อเมื่อเรามีความขยันทำงานทำการทำมาหากินถ้ายังเป็นเด็กอยู่ก็ขยันไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือเพราะว่าวิชาความรู้จะเป็นเครื่องม้เครื่องมือในการหาเงินหาทองได้อย่างง่ายดายและมากมายคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้นี้มีความสามารถต่างกัน คนมีความรู้นี่สามารถหาเงินหาทองได้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้เช่นคนที่จบหมอกับคนที่จบปศีจะมีความสามารถต่างกันคนจบปศีก็มากจะต้องไปทำงานเป็นกรรมกรใช้แรงงานไปเป็นคนสวนบ้างไปเป็นคนเป็นพานโลงบ้างไปเป็นคนงานก่อสร้างบ้าง แต่คนที่จบหมอมาก็จะไปเป็นหม อ, อที่โรงพยาบาลเปิดคลินิก ร, รักษาคนไข้รักษาทีไม่กี่นาทีก็ได้เงินมาเป็นร้อยแต่คนที่จบปราร์สีนี่ทำงานแทบเป็นแทบตายทั้งวันได้อย่างมากก็แค่300บาทนี่คือความแตกต่างระหว่างของความเกียรติคร้างกับความขยัน ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายมีรายได้ที่ดีเราก็ต้องขยันตอนที่เราเป็นเด็กก็ขยันเรียนหนังสือพยายามเรียนให้มากๆเรียนให้สูงสุดเท่าที่จะเรียนได้เพราะยิ่งเรียนได้สูงเท่าไหร่ยิ่งหางานง่ายและได้เงินเดือนดีถ้าเรียนต่ำก็หางานยากเงินเดือนก็ไม่ดี งานก็เป็นงานที่ยากลงบากต้องใช้กำลังต้องใช้เรี่ยวแรงแต่งานที่ใช้ความรู้นี้ไม่ต้องออกกำลังกายใช้สติปัญญานั่งอยู่บนโต๊ะนั่งอยู่ในห้องแอร์เขียนหนังสือก็ได้เงินได้ทองแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างความขยันกับความเกียจคร้านถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานี้ ปลอดภัยจากการไปทำบาปเราก็ต้องละเว้นจากการเสบอะไบายามุขทั้งห้าประการนี้ถ้าเราไม่เสบอะไบายามุขแล้วเราก็จะไม่มีเหตุที่จะผลักดันให้เราไปทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปเวลาเราตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดไปอยู่ในเรือนที่เราไม่ไม่ปรารถนาที่จะอยู่กัน เช่นเรือนของละเดลฉานหรือไปเป็นเปรตไปเป็นขอทานทางดวงวิญญาณหรือไปเป็นนักโทษติดคุกติดตารางในนรกถ้าเรารักษาสีหน้าได้เราจะลักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ของเราได้ถ้าเราตายไปถ้าเราไม่ได้ทำบุญมากกว่านี้เราก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่นี่คือการที่เราไม่ทำบาป ก, การที่เรารักษาศีลจะทำให้เราไม่ต้องไปใช้เวงใช้กรรมในอบายแล้วเวลาเรากลับมาเกิดเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทำบุญมากกว่าการรักษาศีลคือนอกจากรักษาศีลห้าได้แล้วไม่ทำบาปได้แล้ว เรายังทำทานอยู่เรื่อยเช่นมีข้าวของเงินทองอะไรเราก็เอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายให้แก่คนอื่นให้แต่คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือทดแทนบุญคุณให้แก่ผู้ที่มีบุญคุณกับเราหรือให้แก่ผู้ที่เรามีความเคารพนับถืออย่างนี้ เราก็จะได้เริอนใจที่ดีกว่ามนุษย์ก็คือเราจะได้เรือนใจของเทพตายไปเราก็จะได้เกิดเป็นเทพถ้าเราอยากจะได้เรือนใจที่ดีกว่านี้ดีกว่าของเทพเราก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ ร้ามของพรหม mm hmm. เราจะได้พรหมเป็นที่อยู่ของเราไปอยู่ในพรหมโลกพรหมโลกนี้เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับโรงแรมห้าดาว mm hmm. ส่วนเทวโลกนี้ก็เป็นเหมือนโรงแรมสามดาวซ mm hmm. ู้โรงแรมห้าดาวไม่ได้มีความสุขมีความสบายต่างกันมาก mm hmm. แล้วถ้าเราอยากจะ อยู่โรงแรมห้าดาวไปแบบไม่มีวันหมดไม่มีวันที่จะต้องกลับมาอยู่โรงแรมสมดาวหรือกลับมาอยู่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องเจริญปัญญาเราต้องมองความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่อกาว ทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปถ้าเราเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ ถ้าเรายังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เวลาเราตายไปความอยากนี้ก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาศีลห้าได้กลับมาเป็นเทพถ้าเรารักษาศีลห้ากับทําบุญให้ทานได้กลับมาเป็นพรหมถ้าเราปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้แต่ถ้าเรามีปัญญา เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกข์ไม่ควรที่จะอยากได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราเวลาเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็จะทุกข์เราก็จะร้องหยร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่คือ การสร้างเงินใจต่างๆที่ใจของเราจะต้องไปต่อไปหลังจากที่ออกจากร่างกายนี้ไปแล้วเพราะร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็ต้องตายไปร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนบ้านปัจจุบันของเราแต่บ้านในอนาคตของเรานี้เราจะไปที่ไหนอยู่ที่เราเหมือนกับตอนนี้เรามีบ้านอยู่ แต่เรารู้ว่าบ้านของเรามันเก่ามันจะต้องพังไปถ้าเราอยากจะได้บ้านใหม่เราก็ต้องไปเตรียมตัวเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ไปซื้อบ้านใหม่เอาไว้พอบ้านเก่ามันพังไปเราจะได้มีบ้านใหม่อยู่ชันใดร่างกายของเราก็เป็นบ้านปัจจุบันที่ต่อไปจะต้องหมดสภาพไปหลังจากนั้นแล้ว ก็อยู่ที่เราว่าเราเตรียมซื้อบ้านแบบไหนไว้ถ้าเราทำบาปเราก็จะได้บ้านของเดรัจฉานได้บ้านของเปรได้บ้านของนรกแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะได้บ้านของมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรารักษาศีลได้ทําทานด้วยเราก็จะได้บ้านของเทวดาถ้าเรารักษาศีลทําทาน แล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะได้บ้านของพรยถ้าเราทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราก็จะได้บ้านของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ได้บ้านของพระโสดาบันได้บ้านของพระสกิดาคามีได้บ้านของพระอนาค า, ามีได้บ้านของ พ, อาาองพาอาระอรหันต์ถ้าได้บ้านของพาอาระอรหันต์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาวุ่นวายกับการทำมาหากินหาเงินหาทอง ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่างกายอยู่ในพระนิพพานนี้สบายมีแต่ความสุขตลอดเวลาเหมือนอยู่โรงแรมห้าดาวมีคนมาคอยบริการต้องการอะไรมีคนมานำมาให้เราตลอดเวลานี่คือพระนิพพานคือโรงแรมห้าดาวที่ไม่มีวันหมดอายุอยู่ไปได้ตลอด ถ้าเป็นโรงแรม5้าดาวของพรหมนี้ก็อยู่ได้ชั่วคราวพอหมดบุญหมดสมาธิก็ต้องเลื่อนลงมาอยู่โรงแรมสามดาวพอหมดบุญจากโรงแรมสามดาวก็ต้องเลื่อนลงมาเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไปทำบาปก็ต้องเลื่อนลงไ ป, ปนลน ไ, ปนไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเ่๋ยนี่คือ ที่อยู่ที่ไปของพวกเราในอนาคตอยู่ในก ร, รมมือของเราเราสามารถที่จะเลือกที่ไปของเราได้อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่เราจะเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นของหลอกหลอกให้เราทำความดีไปโดยที่ไม่มีผลอะไรตามมา ถ้าเรายังคิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีและลบไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนตายแล้วจบตายแล้วไม่ต้องไปเกิดใหม่ถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เราก็จะไม่อยากจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราคิดว่าทำไปก็เสียเงินไปเปล่าๆสู้เอาเงินนี้มาซื้อของที่เราอยากได้ สู้เอาวันนี้มามาไปเที่ยวไปไปดื่มไปกินดีกว่าดีกว่าเอามาทำบุญทำทานเพราะว่าตายไปแล้วก็ไม่มีผลอะไรตามมาคนที่มีความเชื่อแบบนี้ก็จะไม่ชอบทำบุญจะไม่ชอบรักษาศีลจะไม่ชอบปฏิบัติธรรมเพราะเขาคิดว่าทำไปแล้วไม่ได้ผลเหมือนกับคนที่ ไม่ไปทำงานเพราะรู้ว่าบริษัทนี้ถ้าไปทำแล้วไม่ได้เงินเดือนทำไปแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนอย่างนี้ก็ไปไปทให้เสียเวลาไปเปล่าๆฉันใดคนาคนเราถ้าคิดว่าตายแล้วศูนตายแล้วไม่ไปเกิดใหม่ตายแล้วไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปสวรรค์คนพวกนี้ก็จะไม่ชอบทำบุญทำทานจะไม่ชอบรักษาศีล จะไม่ชอบปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันยากลำบากมันขัดกับความรู้สึกของตนความรู้สึกของคนที่มีความเห็นแบบนี้จะไม่ชอบทำทางจะไม่ชอบรักษาศีลจะไม่ชอบปฏิบัติธรรมแต่จะชอบดื่มสุราชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบความเกลียดคร้านชอบคบคนชั่วเป็นมิตร แล้วก็จะชอบทำบาปชอบฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีชอบโกโหกหลอกลวงพอตายไปเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ความจริงมันเป็นของที่ตายตัวคือกฎแห่งกรรมใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามถึงเวลาเมื่อทำเหตุแล้วผลก็จะต้องตามมาเหมือนกับถ้าเราปลูกข้าว เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเวลาออกออกดอกออกผลก็จะได้รวงข้าวออกมาได้เมล็ดข้าวออกมาปลูกอะไรก็จะต้องได้อย่างนั้นปลูกส้มก็ต้องได้ส้มปลูกกล้วยก็ต้องได้กล้วยฉัน้นใดกฎแห่งกรรมก็เป็นอย่างนั้นทําบุญก็ไปเกิดในในสวรรค์ชั้นต่างๆทําบาปก็ไปเกิดในอบายไปเกิดในนรก อันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สาคัญอยู่ที่ว่าทำหรือไม่ได้ทำถ้าทำแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้น ท, ทันทีเหมือนกับทำผิดกฎหมายจะรู้หรือไม่รู้ก็ต่างว่าผิดกฎหมายพอทำไปแล้วตำรวจเขาก็จะมาจาับเราน้องขับรถเกินความเร็วที่เขากำหนดไว้จะรู้หรือไม่รู้ก็ตา่างท่านีตำรวจอยู่อยู่แถวนั้นคอยเฝ้าดูอยู่ ถ้าเราขับรถเกินความเร็วเขาก็จะจับเราทันทีดังนั้นเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเราแต่คนที่เชื่อพระพุทธเจ้านี้ได้ดิบได้ดีมามากมายแล้วคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดความจริงคนทุกคนที่เชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ จะรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจะรับรองว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทำบุญได้ไ ด, ได้ได้สวรรค์ทำบาปได้ไปนรกอันนี้มีคนรับรองพระพุทธเจ้ามาตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราในอนาคตดีขึ้น เราก็ควรเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่เชื่อแล้วเราไม่ทำตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่ชีวิตเราตกต่ำก็อย่าไปโทษใครก็โทษตัวเราเองโทษที่การกระทาของเรานี้เองอยังขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม ให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปในวันนี้เอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปงานแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแก้าดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ